พระองค์ครองคาราวะวิสัยเ0้าปีเล่ากันว่าทรงมีปร า, าสาทสามหลังชื่อว่าสุจันทนะสุกันจนะและสิริวัฒนะปรากฏมีพระสนมนารีนางนักฟ้อนประมาณ3าม00นางมีพระนางสุมนามหาเทวีเป็นประมุขพระสเมเอทกุมานนะนะพระโพธิสัตว์เมื่อพระโอรสของพระนางสุมนาเทวีพระนามว่าปุณพสัสมิตต สมภพคือประสูตรพระองค์ก็เห็นนิมิตสีเสด็จออกมหาอภินศสกรมด้วยยานมาผนวดมนุษย์ร้อยโกรธก็บวชตามพระองค์อันมนุษย์เหล่านั้นแวดล้อมแล้วก็ทำความเพียรประมาณแปดเดือนในวันวิสาขบาุรมีสเสวยเข้ามาทุ ป, ปายาที่ทิดา น, น ก, กุละเศรษฐีณ น, ะน ก, กุละนิคมถวายแลว้วทรงยับยั้งพักกลางวันณสสารวัน พระองค์ก็รับย้าแปดคำที่สุวัถอาชีวกถวายแล้วก็ล่าสันทัดย่ากว้างยี่สิบศอกที่โคนโรพพฤกชื่อว่านีปะต้นกระทุ่มข้า ง, ง, งก่อนเนี่ยบอกว่าต้นต้นเสดาอ่ะนะนี่เรียกว่าต้นกระทุ่มคื อ, อคือคงมีปัญหาที่การแปลนะที่บอกว่าต้น ต้นนิมพระเนี่ยนะจริงๆไม่น่าจะแปลว่าต้นเสดาต้นนิมพระนะนะเลรุปุจิมันท่มูเล่เนี่ยนะตัวนั้นอ่ะรุปุจิมันท่มูเล่อ่ะนะถ้าอย่างเนี้ยแปลว่าต้นเสดาใช่แต่ต้นนิมพระไม่ไม่แปลว่าต้นเสดาหรอกแปลว่าต้นกระทุ่มเนี่ยตามมัตกดาแปลถูกต้องเรียกว่าต้นกระทุ่มนะไม่ใช่ต้นเสดา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 และพิสูจน์ที่บวชกับพระองค์ร้อยโกรธเป็นผู้สามารถแทงตลอดธรรมคืออริยสัจทั้งสี่ประการก็เสด็จทางอากาศลงที่สุทัศนะราชฉุทยานใกล้กรุงสุทัศนะโปรดให้พนักงานเข้าเฝ้าณนะพระราชอุทยานเอขอข้าไปให้พนักงานที่เฝ้าอุทยานนั้นเรียกพระกนิจตะพาดามาแล้วทรงประกาศธรรมจากท่ามกลางบริวารเหล่านั้นครั้งนั้น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 พวรกาใหญ่ตรงสดใสแสวงหาแต่ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ส่งเปลื้องสัตว์เป็นอันมากจากเครื่องผูกครั้งพระพระพุทธเจ้าทรงบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดสิ้นเชิงทรงประกาศพระธรรมจักณนะกรุงสุทธัสนะอภิสมัยการอภิสมัยในการทรงแสดงธรรมคือการตรัสรู้หลังจากการแสดงธรรมของพระองค์มีสครั้งครั้งที่หนึ่งมีผู้บรรลุแสนโกรธ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 พระพุทธเจ้าผู้มีดวงตาที่สดใสอหนั้นอธิบายว่ามีนัยนาดวงตาประกอบด้วยขนตาออ่อนหน่ารักเขียวไร้มนทินและละเอียดจะกล่าวว่าสุ ป, ปรสรรณปัญจนะปัญจา น, า ย, น, จานายโนมีจักูุห้าผ่องใสอย่างดีนะจักูุห้าจริงๆไม่ใช่ใสแต่ตาเนื้อนะตาทิพก็ใสเห็นได้กว้างไกลส ม, สมความต้องการที่พระองค์จะเห็น พระองค์มียานะจักสุที่ผ่องใสมีสมันตจักสูที่สดใสแล้วก็มพททีพุทธจักสูที่กว้างใหญ่ไพศาลเรียกว่ามีจักสุห้าประการที่ผ่องใสยอย่างเยี่ยมพระพุทธเจ้าของเราก็จริงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เป็นเช่นเดียวกันหมดนั่นแลแต่ว่าจะยกองค์ไหนมาสรรเสริญประเด็นใดอะไรตรงไหนเท่านั้นเองบทว่าสมุขโขมีพระพักเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงในฤดูสัต์ บังแห่งขั้นกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคางคล้ายกับคางราชสีเพราะฉะนั้นเนี่ยคางก็จะอูมนิดหนึ่งะนะก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับดวงจันทร์แสดงว่าหน้าพระองค์ อ, อจะดูกลมหน่อยบทว่าบราหาได้แก่พรหาคือใหญ่พระองค์มีพระสรีระขนาดใหญ่8ปดสดอกอธิบายว่าขนาดพระสรีระไม่ทั่วไปกับคนอื่นๆ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 สิเตสีแปลว่าสแสวงหาแต่ประโยชน์เกือ้อกูลอนหะิเตสีเนี่ยนะหิตะก็คือขั้วกลุนเีตัวนั้นแปลว่าลักษณะของผู้ที่มีปกติสแสวงหาแต่ความเกือ้อกูลแก่ชนเราอื่นว่าสิ่งใดเนาะจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลโดยศัพท์คำว่าวเกือ้อกูลเนี่ยนะหิตะตัวนั้นหมายถึงอริยมรักเนี่ยนะโปร่งสแสวงหาแต่อริยมรักโดยเฉพาะอารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8ดให้แก่สัตว์ทั้งหลาย ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติตอนย่ํารุ่งย่ารุ่งก็แสดงว่าคนแปลชุดโบราณหน่อยนะว่าย่ารุ่งก็ตีกลองตอนเช้าใช่ถึงตีกลองเช้าตีกลองเย็นก็จะมีย่ารุ่งย่ําค่ําย่ําเช้าสมัยกรองกัสมัยก่อนในสมัยที่มีทุ่มมองอ่ะนะทุ่มมงอ่ะนี่แสดงว่าคนแปลเนี่ยนะยุคเก่าแก่มาก เรีว่ายามรุ่งอรุณนะนะสมมติสำนวนสมัยใหม่บอกยามรุ่งอรุณยามเช้าตรู่ พ, พระองค์เข้ากร right ุณาสมาบัติหลังจากออกจากกรุณาสมาบัติแล้วเนี่ยนะคำว่าเข้ากรุณาสมาบัติเนี่ยนะแปลว่าพระองค์ดูความทุกข์ยากของหมู่สัตว์เนี่ยนะทุกแง่มุมพระองค์อย่างรู้หมดว่าเขาทุกอะไรกันมั่งทุกทางร่างกายเป็นอย่างไรทุกทางจิตใจนี่เป็นอย่างไรแบ่งออกมาสองอย่างกลุ่มทุกกายกับทุกใจแล้วทุกทางกายเป็นอย่างไร สเตระเนี่ยมันจังแต่ตั้งแต่อยู่ในคันจนยันตายเนี่ยมันมีความทุกข์เหล่าใดมาบ้างแล้วความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยนะทุกจากเรื่องอะไรบ้างทุกที่กิเลสที่มันเป็นพิษอยู่ข้างในเนี่ยมันทุกอย่างไงบ้างแล้วเปรียบเทียบความทุกข์เหล่านั้นเหมือนอะไรเหมือนเหวเหมือนกับว่าเขาตกเหวเหมือนถูกลูกศรยิงเหมือนถูกความมืดเนี่ยหุ้มห่อปกคลุมเหมือนปลาที่ถูกตาคายหรือเหมือนกับ ไฟเนี่ยสิกองแผดเผาแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางผิดเดินทางไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกเป็นต้นแล้วก็มาแบ่งความทุกข์หมวด1หมวด2หมวด3หมวด4แบ่งกิเลสที่เขาเดือดร้อนเป็นกิเลสหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หมวด6กเจ็ดหมวดนะตัณหาร้อยแหมวดทิถีหกสิบสองสกายยะทิฐิเนี่ยนะสารพัดชนิดที่เขาเดือดร้อนเร่าร้อนสรุปว่าความทุกข์ร้อนทางร่างกายเลย จิตใจพอพระองค์เห็นความทุกข์ของสรัรพพสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดพระองค์าก็กรุณาตักเตือนน้อมไปเพื่อจะปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากทุกข์เสร็จแล้วพระองค์าก็แผ่แผ่กรุณาสมาบัติยานเสร็จแล้วพระองค์ก็จะแผ่พุทธจักสุยานด้วยพุทธจักสุตรวจ ด, ดูสรัรพพสัตว์ในหมื่นโลกธาตุว่ามีผู้ใดพอจะตรัสรู้ได้บ้างเนี่ยนะมีผู้ใดพอจะตรัสรู้ได้บ้า ง, ม, างมีเหตุการณ์ใดที่พระองค์ต้อง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 เช่นกับพระพุทธเจ้าตอนที่จะไปโปรดพระองค์คลิมานใช่ไหมตอนที่นั้นพระองค์ก็เสด็จไปแต่เพียงพระองค์เดียวด้วยเพศเหมือนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นเองพระองค์ไม่ได้ไปไปเหมือนในเพศพระพุทธเจ้าคือพระองค์ก็ปกปิดพระสรสมีทั้งหมดด้วยจีวรเนี่ยนะเออสังสีของพระองค์ปกติแสงจันทร์แสงอาทิตตัดไม่ได้แต่ใช้จีวรคลุมได้ก็เหมือนกับภิกษุรูปหนึ่งที่ถือธุดงธรรมดานี่แหละ นะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมดานี่แหละก็อุ้มบาดไปชาวประชาชนทั้งหลายก็ห้ามมายาเลยทางนั้นโจรเนี่ยดุมากโจรองค์คคีมานอยู่ทางนั้นอย่าไปเลยสมณะนี่ยนะนะมีการห้ามนี้ก็เหมือนกันพระองค์ก็จะเสด็จเข้าไปที่ปากเรียกว่าเข้าไปในเมืองยักษ์่านั้นเข้าไปในเมืองยักษ์อยากเข้าไปเลยแต่พระองค์ก็ไม่มีสหายเสด็จเข้าไปยังพบของยักษ์เข้าไปข้างใน ไปถึงก็ไปประทับนั่งบนที่นอนอันมีสิริเลยนะไปถึงไปตรงไหนไปนั่งอยู่บนที่นอนของยักษ์นั่นแหละครั้งนั้นยักษ์ตนนั้นทนการลบปลูไม่ได้อ น, นี้มันดูถูกเหยียดยม้มทําไมมันเอากันขนาดนี้เหมือนันนแหมมันนั่งที่นอนของเราได้ยังไงเนี่ยเป็นไปได้ยังไงมาถึงเตียงนอนเลยเน่ยนะนะเกินไปแล้วก็เลยกริ้วโกรธเหมือนงูที่มีพิษร้ายแรงพอใช้คําว่างูมีพิษร้ายแรงความโกรธขนาดที่โกรธขึ้นมาเนี่ยนะ ไม่ค่อยต่างอะไรจากกลุ่มอสารพิษมันก็เหมือนกับอสารพิษที่ถูกตีด้วยไมย้ก็เลยประสงค์จกขู่พระทศพลให้กลัวทําอัตภาพของตนให้ร้ายกาดทำสีสระเหมือนภูเขาเนรมิตดวงตาทั้งสองเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยนะแสดงว่าตาเนี่ยแดงกล่าพร้อมที่เหมือนมันจะซดซดตะวันน่ะดูดเข้าไปได้อทําเขี้ยวคมยาวแล้วก็ใหญ่เหมือนกับหัวคันไถมีท้องเขียว ใหญ่แล้วก็ห้อยลงอะนะแสดงว่าท่านยาบอกว่าพงโตสีเขียวนั่นแหละมีแขนอย่างก็เรียกว่ากระลาต้นตาลมีแขนเหมือนกระลาต้นตาลมีจมูกแบนวิกกและก็คดมีปากแดงใหญ่อย่างกับปล่องภูเขามีเส้นผมใหญ่เหลืองแล้วก็หยาบเนี่ยนะเส้นผมยังกระทองแดงเหมือ น, น มีแววตาน่ากลัวอย่างยิ่งก็ว่าปรากฏรัศมีอ ม, มหิทยยมโหดมาอย่างเห็นแล้ววิ่งหนีเลยนะปัญหามันวิ่งไม่ออกเนี่ย เ, เป็นลมอยู่ตรงนั้นเลยนะมายืนอยู่เบื้องพระพัคของพระผู้มีพระภาคสุมเมธะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็จะเนรมิตเป็นยักษ์หรือว่าเป็นเทพพร ธ, ธิดามาพราะองค์ก็ว่ามันไม่ต่างกัน ในความรู้สึกพระพุทธเจ้าในสายตาปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะเรยระมิดมาเป็นนางฟ้าที่ไหนก็ช่างเถอหรือจะเน ร, รมิดมาเป็นยักษ์น่าเกลียดปานใดพระองค์ก็เหมือนกันนั่นแหละบังหวนนะยักษ์นั้นก็แหมอดทนไม่ได้เลยนะก็เลยบังหวนควันบรนดาลไฟที่ลุกโพรงโชนบรรดาลฝนก้าวย่างตอนแรกก็จะใช้ฝนหินนี่ให้ตกลงมาให้ทับพระพุทธเจ้าให้ตาย ใช่แล้วก็กลายเป็นฝนดอกไม้ไปนะนะแล้วก็ฝนภูเขาเอาภูเขาตกมาเป็นลูกๆเลยนะยิ่งหนนะักกวระเบิดเป็นตั น, ตนๆอีกนะตกลงมานะนะแล้วก็เปลวไฟพ่นพ่นไฟออกมาฝนน้ําฝนตะมะเปลือกตมฝนขี้เท่าฝนอาวุธฝนฐานเพลิงแล้วก็ฝนทรายให้ตกลงมาฝนทั้ง9้าชนิดนั้นก็ไม่อาจทําให้พระผู้มีพระภาคเจ้าขยับเ ข, ขยื่อนแม้เท่าปลาย นเพรนะาะว่าไม่มีอะไรที่จะสะดุ้งแม้แต่นิดเดียวพระองค์งยักษ์ก็เลยคิดว่าเราจะถามปัญหาแล้วก็ฆ่าซะแล้วถามปัญหาเหมือนอละวะกยักษ์ในครั้งนั้นเดี๋ยวเราเรียนสุตตานิบาตเล่มสี่สบถึงปัญหาของอละวะกยักษ์เขาก็มีการสู้รบคล้ายกันนี่แหล ะ, ะนะเสร็จแล้วพระองค์ถอดฝึกอละวะกยักษ์เสร็จพระองค์งก็ได้บริวารคือหัตถอละวะกะเนี่ยนะหัตถอละวะกะที่เป็นอักรอุปถัมภ์นั่นมา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 อย่างธรรมจักรสุให้เกิดแก่สัตว์เก้าหมื่นโกดเนี่ยธรรมจักรสุโสดาปฏิมัคสกะทาคามิมกักอนาคามิมกักอย่างเห็นอริยาศาส ว, ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อแทงตลอดนิโรสัจจะกองทุกข์ก็เป็นอันดับเนี่ย น, นะพันก็อันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งใหญ่ครั้งที่สอง ที่พระองค์ตรัสเป็นคาถาว่าในวันรุ่งขึ้นพระชินะพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นทรงฝึกยักษ์กลุ่มภัณฑ์เนี่ยนะอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมอย่างใหญ่ครั้งที่สองก็มีแก่สัตว์จำนวน90 0 0 0โกครั้งที่พระองค์ทรงประกาศสัจจะสีส่เสรนันทราชเนี่ยนะกอุทยานเป็นอุทยานเป็นสวนณเมืองอุปการีนค ร, นครนชื่อเมืองก็วิจิตเปลี่ยนแปลกันไปเนาะ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 พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสุเมธะมีสาวกสันนิบาตการประชุมสาวกอรหรันขีณาศพไร้มนทิน3ครั้งครั้งที่หนะึ่งณกรุงสุทัศน์มีพระขีณาศพร้อยโกดสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่สองเมื่อสมัยกรานกถินกรานกถินหลังจากออกพรรษาเนี่นะณภูเขาเทวกูดมีพระอรหันต์เกาสิบโกธส่วนครั้งที่สพระพุทธองค์เสด็จจาริกเมียพระอรหรันต์แปบโกดนะก็ มีการประชุมผู้ที่เป็นพระอรหันตะขีนาศไรายมนฑินผู้มีจิตสงบคงที่สามครั้งครั้นพระโพธิสัตว์ของเราเป็นมานพที่เป็นยอดของคนทั้งปวงชื่อว่าอุตระยอดของชายหนุ่มเพราะนั้นเป็นไม่มีใครจะเหนือกว่านี้อีกแล้วอุตราเราว่าเหนือกว่าเพื่อนหมดเลยอุตระมานพนั้นก็สละทรัพย์แปดสโกที่ฝังเก็บเอาไว้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 ย้อนกลับมาเกี่ยวกับรายละเอียดพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์มีนครที่เกิดชื่อว่าสุทัศนะพระพุทธบิดาพระเจ้าสุทตะพระพุทธมารดาพระนางสุทตาคู่พระอัขราสาวกพระสารณะและสัพพกามีอุปทาชื่อว่าสาขะอัขราสาวิกาชื่อว่าพระรามาสุรามาต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่ามหนีปะต้นกระทุ่มใหญ่ สรีระสูง88สศอกพระชนมายุ 90,000 ปีครองคารวาตวิสัย 9,000 ปีอัคราเหหีพีะนางสุมนาพระโอรสปุณพปุณพปุณระสมิตะออกอภินศษสกมด้วยยานคือช้างมีข้อความที่เปรียบเทียบเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าธรรมดามณีรัตนะของพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมส่องสว่างไปได้โยอดหนึ่งชั้นใด รัตนะคือรัศมีของพระสุเมธาพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็แผ่ไปโยดหนึ่งโดยรอบฉะนั้นเหมือนกันในยุคนั้นมนุษย์มีอายุก้าหมื่นปีพระองค์มีพระชนมายุยืนถึงเพียงนั้นย่อมอย่างหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอหะสงสารพระาศาสนานี้เกลื่อนกล่นไปด้วยพระอาหารหันต์ผู้มีวิชาสามอภินยาหกผู้ถึงกาลังผู้คงที่อย่างดีพระอาหารหันต์เหล่านั้นทั้งหมดมียศ ที่หาประมาณไม่ได้ท่านเหล่านั้นทั้งหมดหลุดพ้นจากอุปธิท่านผู้มียศใหญ่เหล่านั้นสแสดงแสงสว่างคือยานเสร็จแล้วต่างก็นิพานไปนะท่านบอกว่าผู้ปราศจากอุปธิเนี่ยนะนิรูปธีได้แก่เว้นจากอุปธิสี่ผ้าหานทั้งหลายล้วนจะพ้นจากกิเลสูปธิอภิสังขารูปทีเนี่ยนะอะไรอีกขันถูปธี นะมีอะไรอีกอุปธิ4เนี่ยนะกาโมปธิกิเลสูปธิอภิสังขารูปธิแล้วก็ขันธูปธิเนี่ยนะพ้นจากอุปธิทั้ง4ประการโดยการตัดฉันทราคะละอาลัยในขัน5โดยประการทั้งปวงอันนี้ก็เป็นวงของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมเมรส่วนพระพุทธเจ้าสุชาตินี่คงเวลาไม่พ อ, อนะก็ไว้เป็นวันศุกหน้าก็แล้วกัน อตอใจสรรเสริญพระพุทธเจ้าอย่างนี้ได้ฟังคำสอนที่เป็นพุทธวงอย่างนี้ขอบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าภาคเพียรพยายามปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นใดขอเราทั้งหลายเพึงเป็นผู้มีความเพียรโดยเสด็จพระองค์ฉันั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำใดแล้วพ้นทุกข์ขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนในการตรัสรู้ทำเป็นที่พ้นทุกข์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 พระศาสนาของพระศาสดาตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์โดยท่วนกันน่นะก็อนุมโมทนาด้วยกับทุกคน